บทที่68นายอูบ่ายวันหนึ่งนายสัมฤทธิ์มาพบท่านพระครูที่กุฏิเห็นหน้าตาของเขาเศร้าหมองสมภารวัดป่ามะม่วงจึงทักขึ้นว่าหายไปนานเลยนะแล้วนี่ไปยังไงมายังไงเรียนจบแล้วหรือยังทำไมหน้าตาหม่นหมองไม่ผ่องใสเอาเสียเลยไม่สบายหรือเปล่าท่านทักทายและไต่ถาม ถามหลายประโยคด้วยกันผมไม่เจ็บไม่ไข้อะไรหรอกครับหลวงนะ้าแต่หลวงพ่อของผมสิเสียงที่พูดขาดห่วงไปเสียเฉยเลยหลวงพ่อเองเป็นอะไรไหนบอกมาสิท่านท่านมรณะภาพแล้วครับตอบเสียงเกลือแม้ไม่ได้ร้องไห้หากดวงตาทั้งสองแดงกลำ่ำอ้าว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 พระวัดกลางทุ่งครับท่านไปหาผมที่วัดไม่พบก็เลยไปหาที่โรงเรียนผมจึงรีบมาเรียนหลวงน้าจะชวนไปงานศพด้วยเขาใช้คำว่าชวนแทนนิมนต์ข้าเป็นพระเองจะมาชวนไปโน่นไปนี่ไม่ได้หรอกต้องนิมนต์ข้าถึงจะไปได้พิกษุมัชชิมวัยสอนเขาทางอ้อมผมขอโทษที่พูดผิด ถ้าเช่นนั้นผมขอพูดใหม่ว่านิมนหลวงน้าไปงานศพหลวงพ่อด้วยครับตกลงข้ารับนิมน์ว่าแต่ว่าเราจะไปกันยังไงล่ะจะไปตามนายหลอก็อยู่ถึงอินบุรีโน้นสงสัยจะต้องจ้างนายอูขับรถไปส่งเสียแล้วเอ็งช่วยไปเรียกเจ้าแดงหรือเจ้าขาวขึ้นมาหาข้าหน่อยสิท่านเจ้าของกุฏิสัง่งนายสัมฤทธิ์ จึงลงไปเรียกแฝดพี่ขึ้นมาหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมเหรอครับหนุ่มน้อยถามก็ถ้าไม่มีข้าจะให้ตามขึ้นมาทำไมเองนี่ถามโงโงเมื่อไรจะหายโง่กันสักทีโง่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยในขาวพลอยถูกร่างแหไปด้วยหลวงพ่อจะด่าผมก็ด่าคนเดียวสิครับ เจ้าขาวมันไม่รู้เรื่องด้วยในแดงออกรับแทนน้องชายข้าไม่ได้ดา่าข้าพูดความจริงต่างหากหรือเอ็งจะเถียงว่าไม่จริงจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่เถียงหลวงพ่อหรอกครับเสียงที่พูดมีแววประชดประชันที่ไม่เถียงเพราะเถียงไม่ขึ้นต่างหากเอาละ่ะเอ็งไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงที่ข้าเรียกมาเนี่ย ก็เพื่อจะให้เองไปตามในอูมาพบข้าหน่อยไปเดี๋ยวนี้เลยนายแดงกราบสามครั้งแล้วจึงลงมาเขาชวนน้องชายคู่แฝดไปด้วยไม่รู้ว่าเมื่อคืนฝันร้ายอีกรึเปล่าท่านพูดเหมือนบน่นใครฝันร้ายครับลหลวงนานายสัมฤทธิ์ไม่เข้าใจในอูนะสิเขามักฝันร้ายอยู่บ่อย ฝันว่ามั จ, จุราชต้องการตัวเพราะเสียสัจจะบอกจะบวชแล้วไม่บวชข้าก็เลยเตือนหลายครั้งแล้วว่าให้บวชเสียทีเขาก็ยังผัดผ่อนถ้าไม่บวชรับรองตายแน่แกเสียสัจจะเรื่องอะไรล่ะครับหลวงนาะลูกชายสมพันตุอยากรู้เสียสัจจะที่อธิษฐานว่าจะบวชแล้วไม่บวช คนเราลองได้เสียสัจจะก็ไม่เหลือค่าของความเป็นคนอีกต่อไปเองก็เหมือนกันเกิดเป็นคนอย่าให้เสียสัจจะท่านถือโอกาสสอนทำไมเ้าไม่ยอมบวชละครับก่อนั่นนะสิข้าถึงว่าเสียสัจจะยังไงตอนเรือควม่มกําลังจะจมน้ำตายก็ห่วงเมียซึ่งกําลังท้องลูกคนแรก จึงอธิษฐานว่าถ้ารอดชีวิตจะบวชหนึ่งพรรษาจนบัดนี้ก็ยังไม่ยอมบวชลูกหรือก็โตเป็นสาวและมีน้องอีกตั้งหลายคนย ม, มาบาลก็เลยทวงทวงอย่างไรครับก็เข้ามาเข้าฝันบอกว่าถ้าไม่บวชจะเอาตัวไปเมืองนรกคืนไหนเข้าฝันเห็นย ม, มาบาลรุ่งเช้าก็จะไม่ยอมออกรถ ข้าถึงได้กลัวว่าถ้าเกิดเมื่อคืนฝันร้ายก็จะไม่ยอมไปส่งเราเองต้องช่วยข้าพูดนะพูดให้เขาไปส่งให้ได้ไม่ต้องห่วงหรอกครับหลวงนาะผมต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดจะให้กราบแกผมก็ยอมชายหนุ่มรับคำเครื่องชั่วโมงให้หลังนายอู ก, ก็ตามนายแดงขึ้นมาบนกุฏิ เขากราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อจะให้ผมไปส่งที่ไหนหรือครับรู้ว่าหากไม่เช่เรื่องนี้ท่านพระครูคงไม่ให้ไปตามแทนคำตอบท่านกลับถามว่าเมื่อคืนฝันร้ายหรือเปล่าในอูยิ้มและตอบว่าไม่ฝันครับเมื่อวานเป็นวันพระ ก่อนนอนผมสวดมนต์แผ่เมตตานานกว่าทุกวันเลยเลยไม่ฝันร้ายแต่ถึงอย่างนั้นอาตมาก็ขอเตือนว่าให้รีบมาบวชเสียเขามาเตือนแล้วนะต้องรักษาสัจจะนี่ลูกก็โตเป็นสาวแล้วยังจะห่วงอะไรอีกล่ะเชื่ออาตมาเถอะผมยังไม่พร้อมพูดเสียงห้วนด้วยไม่สบอารมณ์ เอาล่ะถ้าคำเตือนของอาตมาทำให้โยมไม่พอใจอาตมาก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกเรื่องของกรรมไม่มีใครทำให้กันได้เอาล่ะเรามาพูดเรื่องธุระกันดีกว่าที่อาตมาให้เจ้าแดงไปตามก็เพราะจะให้โยมช่วยไปส่งที่วัดกลางทุ่งอำเภอท่าวุ้งสักหน่อยหลวงพ่อของเจ้าสมฤทธิ์ท่านมรณภาพ อาตมาจะไปช่วยงานศพเอาอูช่วยผมหน่อยนะครับผมเพิ่งรู้เมื่อตอนสายนี้เองถ้าเอาอูไม่ช่วยผมก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะคนแถวนี้มีแต่เอาอูเท่านั้นที่มีรถนอกนั้นก็ยากจนข้นแค้นจะกินเข้าไปก็ยังไม่มีน้าประสาอะไรจะไปซื้อรถมาขับ หนุ่มสำมฤทธิ์พูดยกแม่น้ำทั้งห้าจนนายอูต้องโบกมือห้ามเอาละเอาละไม่ต้องสาทยายถึงยังไงข้าก็ต้องไปทรงไม่เห็นแก่เองข้าก็ต้องเห็นแกหลวงพ่อว่าแต่ว่าน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วครับหลวงพ่อนายอูไม่วายสอนิสัยพ่อค้าหน้าเลือดเอาเถอะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง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 โดยที่ไม่มีผู้ใดขอนี่เองอย่ามาพูดมากจะไปก็ไปกันเดี๋ยวนี้เลยโยมอูพร้อมแล้วหรือยังท่านถามนายอูพร้อมแล้วครับนิมดหลวงพ่อไปขึ้นรถได้เขาก้มลงกราบสามครั้งแล้วจึงลงไปรอท่านที่ลานจอดรถก่อนออกจากกุฏิ ท่านพระครูเรียกในแดงกับในขาวมาสั่งว่าดูแลกุติให้ดีใครมาหาข้าก็บอกว่าข้าไปงานศพที่อำเภอท่าวุ้งคงกลับดึกไม่ต้องรอถ้ามาหาบุญถามก็เรียนท่านไปตามนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับหนุ่มคู่แฝด ต, ตอบพร้อมกัน หนึ่งชั่วโมงให้หลังนายอู ก, ก็พาท่านพระครูไปไม่ถึงวัดกลางทุ่งเขาต้องขับรถด้วยความยากลำบากเพราะถนนขุกกระหนทางเป็นหลุมเป็นบอ่อสงสัยผมต้องคิดค่ารถเสื่อมด้วยนะครับหลวงพ่อถนนเป็นหลุมเป็นบออย่างเนี้ยผมกลัวช่วงล่างจะพังเขาหมายถึงช่วงล่างของรถกระบะคู่ชีพเอาเถอะ แล้อาตมาจะจ่ายทดแทนเป็นค่าเสื่อมให้ท่านพระครูรู้สึกเห็นใจเจ้าของรถแหมอาอูผมรู้สึกว่าอาจจะเค็มไปหน่อยนะนี่จะเรียกจนหลงน้ำหมดเนื้อหมดตัวเลยหรือไงนายสัมฤทธิ์พูดขึ้นอย่างอดรนทนไม่ไหวเขานั่งติดกับนายอส่วนท่านพระครูนั่งด้านซ้ายสุดเองไม่ต้องพูดมาก นี่ถ้าไม่เห็นแกท่านพระครูค้าไม่มาด้วยรอกรถราค่าจะพังก็เพราะเองนี่แหละนายอูพูดยังไม่สบอารมณ์แต่อาก็พูดอยูกหยกว่าจะคิดค่าเสื่อมจากลงนาเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเลิกบ่นเสีทีผมชักกำคาแล้วนะเองนั่นแหละเลิกพูดไม่เช่นนั้นข่าจะกลับเดี๋ยวนี้แหละ ไม่ปงไม่ไปมันละเขาเบลกพลืชจนผู้โดยสารหน้าขมำคิดว่าถ้ากลับไปตอนนี้ก็ยังพอมีกำไรเพราะท่านพระครูเติมน้ำมันให้จนเต็มถังนี่สัมฤิเองนั่งเฉยเฉยได้ไหมส่วนโยมอูก็อย่าไปต่อล้อต่อเทียงกับเด็กนึกว่าเห็นแก่อาตมาเถอะนะท่านพระครูปรามทั้งสองคน นายสำริดกับนายอูจึงต้องนิ่งคนหนึ่งนิ่งเพราะกลัวจะไปไม่ถึงวัดกลางทุง่งส่วนอีกคนหนึ่งนิ่งเพราะเกรงใจท่านพระครูบวกกับกลัวจะไม่ได้ค่าเสื่อมรถต่อจากนั้นอีกพักใหญ่ใหนายอู ก, ก็พาท่านพระครูและลูกชายสมพานตุมาถึงวัดกลางทุง่งทายกและญาติโยมพากันมาต้อนรับ นิมนต์เจ้าคณะอำเภอพ ร, รมบุรีขึ้นไปบนศาลาที่ตั้งศพสมภารวัดป่ามะม่วงเดินไปที่หน้าโลงศพกราบพระละัตนตรายแล้วจึงทำความเคารพศพได้การกราบสามครั้งเพราะผู้ตายเป็นพระนายสัมฤทธิ์ปราดเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าภาพถ่ายของบิดาซึ่งตั้งไว้หน้าโลงศพ กราบสามครั้งแล้วพูดกับภาพถ่ายของภิกษุวัยหกสิบเศษซึ่งดูเหมือนทอดสายตามาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของบุตรสุดที่รักชายหนูไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เขารำพึงรำพันว่าหลวงพ่อทิ้งผมไปอีกแล้วหรือเมื่อก่อนผมกำราแม่กำรายายแต่ก็ยังมีพ่อถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ผมก็ยังอบอุ่นใจบ้างแต่มาบัดนี้หลวงพ่อก็มาจากผมไปอีกคนผมไม่เหลือใครอีกแล้วไม่มีญาติแล้วท่านพระครูรู้สึกสะเทือนใจในถ้อยคำของหนุ่มที่ท่านให้ความอุปการะมาจึงปลอบใจด้วยการเอื้อมมือไปตบไหลเบาๆอย่าเสียอกเสียใจไปเลยถึงอย่างไรเองก็ยังมีค่า ข้าขอรับรองว่าจะไม่ทอดทิ้งเองขอให้เชื่อข้าและตั้งสติให้ดีเดี๋ยวเราจะไปปรึกษากับทายกว่าจะตั้งศพสวดกี่วันพูดจบท่านก็ลุกไปนั่งอย่างเก้าอี้รับแขกซึ่งญาติโยมนำน้ำร้อนน้ำชามาเตรียมถวายทายกเป็นคนประเค้นน้ำปานะแดดท่านนายจำริต ลูกตามท่านออกมานั่งอยู่เบื้องหลังวัดนี้มีพระกี่รูปท่านถามทายกห้ารูปครับตอนนี้เลยเหลือสี่รูปทายกตอบดีแล้วครบองค์สมพอดีเวลาสวดพระอภิธรรม จะได้ไม่ต้องไปนิมนต์พระวัดอื่นสามรูปสวดไม่ได้หรอครับท่านพระครูถ้ายกวัดกลางทุ่งถามไม่ได้เพราะไม่ครบองสงตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีตอบแล้วเกินได้ไหมครับเกินได้ขาดไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นงานสวดพระอภิธรรมศพ จะนิมนต์พระเกินสี่รูปมาสวดก็ได้อย่างนั่นหรอครับถูกแล้วและถ้าเป็นงานมงคลจะนิมนต์พระสี่รูปมาเจริญพุทธมนต์ก็ได้แต่ว่าคนเขาไม่นิยมกันเพราะไปยึดติดว่าสี่รูปต้องงานศพเข้าใจหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับเออท่านครับผมเห็นท่านกราบศพท่านสมพานสามครั้ง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 แล้วเรื่องงานศพจะทำอย่างไรจะสวดพระอภิธรรมกี่คืนและจะชาปนกิจเมื่อไรผมปรึกษากับรองเจ้าอาวาสแล้วท่านบอกว่าสวดเจ็ดคืนและชาปนกิจในวันที่8ทายกตอบทำไมถึงเร็วนักแล้วนี่รองเจ้าอาวาสไปไหนไม่เห็นออกมาต้อนรับอคันตุ ก, กะท่านเข้าไปจังหวัดครับ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 มีเจ้าภาพครบเจ็ดคืนหรือยังท่านถามอีกยังเลยครับคืนนี้พวกญาติโยมร่วมกันเป็นเจ้าภาพคืนพรุ่งนี้คงเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าวงถ้าหากเจ้าภาพไม่ได้ทางวัดจะต้องจัดการกันเองทายกตอบถ้าเช่นนั้นอาตมาขอร่วมเป็นเจ้าภาพวันมะรืนนี้และถ้าคืนไหนไม่มีเจ้าภาพ อาตมาจะขอรับผิดชอบเองท่านคิดว่าคงจะต้องไปรบกวนนหลอให้มาช่วยขับรถรับส่งเพราะรำคาญในโอูในความเป็นคนขี้งกและก็ขี้บ่นของเขาลงน้าครับผมอยากบวชเนนให้หลวงพ่อนายสัมฤทธิ์พูดขึ้นจะบวชเมื่อไรละ่ะวันนี้เลยได้หรือเปล่าครับจะดีหรือ ข่าวว่าเองอยู่ช่วยงานทางนี้ไปก่อนและค่อยบวชวันชาปนกิจบวชเช้าสึกเย็นพระเองไม่ต้องไปเรียนหนังสือต่อดีครับงั้นคืนนี้ผมไม่กลับไปกลับลงน้านะครับเอเห็นจะไม่ได้เพราะผมไม่มีเสื้อผ้ามางั้นผมกลับไปกลับลงน้ามารืนนี้ค่อยมาใหม่แล้วก็อยู่จนถึงวันชาปนกิจเลย เขาพูดเองเออเองเสร็จดีพรุ่งนี้เองจะได้ไปเรียนอีกวันหนึ่งเรียนเสร็จก็เอาเสื้อผ้ามาค้างที่วัดป่ามะม่วงรุ่งเช้าจะได้มาด้วยกันท่านพระครูช่วยวางแผนให้ดีครับผมก็ไม่อยากขาดเรียนมากแล้วสมพานท่านรู้เรื่องแล้วหรือยงังท่านหมายถึงสมพานวัดที่นายสมฤทธิ์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 ครับชายหนุ่มรับคำนิ่งไปสักครู่หนึ่งจึงถามทายกว่าลุงครับผมถามจริงๆทว่าหลวงพ่อของผมท่านมรณภาพเพราะอะไรเขาอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงทายกทำหน้าปั้นยากเพราะคิดไม่ถึงว่าลูกชายสมพานจะถามอย่างนี้